บาปส่าบเนอเมื่อาวานนี้คนไปชุ่มกันเรื่องงานเะราจะท่านเครื่องศพหลวงปู่เจันโสมไปชุ่มกันแล้วตกล่งเอาว่าวัานทําบุญหาซิดมือกับวันท่าบุญลอยมือของหลวงปู่เจันโสมนี่เป็ น, นในพระบรมราชานุเคราะห์ สำบุญถวายบ้านหาิวันก็ลอยวันวันลอยวันนั่นตรงกันว่าทิพย์ทิพย์มีทูน่าส่วนวันพระราชทานเครื่องศพนั่นเขาจิกขอไปเป็นวันทีทิพย์่มีทูน่ามันซ้อมวันแล้วลอยมือวันทิพยีทแล้วก็เลยเฟื่อยใส่ชัดงานอะไรจะท่านเครื่องศพเลย อันนี้เป็นกรณีที่ขอขอไฟพลักชาติเล่ยสมรสหร่สมรเว้นใด้เรื่องจะไปประชุมปรึกษากั น, นแล้วมาสั่งเมี่ยุชั่วข้าว่ลูกตรงงามยูเป็นลูกส้งคล้ายๆของหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมทำพาะปองเชียงใหม่ทาแบบนั่นมาเป็นแบบมาสั่งชั่วข้าว เมื่อสั่งเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วที่หลังกะจีสัางเจดีย์ครอบตรงนั้นอีกสถานที่สั่งเมน่นแล้วก็จีไปสั่งเจดียด์ที่หลังนึ่งอายุแถวแถวทั้งทั้งหลังวัดไปจังน้อยจีเป็นจีดีดินเป็นสื่อไปอีกกว่างฟังแต่ถมดินไปเรียบร้อยแล้ว ที่ว่าให้ฟ้งเลยก็คือว่างานที่เท่าที่ไปรวมไปโม่น้ำพ่นได้นีมีหลายงานเนยอะหนึ่งงานจัดงานทั่วไปค่าใช้จ่ายทั่วไปสองอันผู้ใดที่รวมที่โฮมสมทบส่างไม่รู้ไปอันที่สามคนที่นี่ส่างเจดีอีกับไปรวมโม่ไว้ก็ได้นะ สังเกดนีนี่ถบุญในหลา ย, ยาอย่างเยอะแล้วก็สุศีมาเป็นเจะาอาวาสแท่นหลวงปูเนี่ยอาจารย์ดำริกบ้านพักบุงมาเป็นรักษาการจเจาอาวาสอันที่นั้นเด้ดเป็นเจะาอาวาสคนละปัดฟ้าหน้าศีดาแท่นหลวงปูนี่เขาก็พิจารณาว่า หลวงปู่เดชสร่วบครั้งจังหวะเนี้ยคสนะคุณจะได้สงไหวอยู่แล้วเนี้ยเรื่องเจดีย์เรื่องเทศ อ, ท เ, หอเหตุมนลบไปรูปเหมือนหลวงปู่หลวงปู่คนกับ ด, ดำิยูวาเอานเสศเ็ดเจดีย์ยูเทศเจดีย์โลดที่เดียวโลดตอนนี้เขาไปสั่งเหตุรูปเหมือนเป็นไฟโดอร์กลาสคือหลวงปู่เทศเท่านี้แะ เรวลงปูเฉนิมโฉมาแล้วถึงมากถึงวัดวังทีมีสิบเจ็ดใส่โแมนด้วยบันทีวังทีเจ็ดหัวบางทีเจ็ดเนือาเนี่ยแะมือหื้อือเนี่ยปกติตั้งไว้นานาศบนลักั้นไปบูชาที่มีการทำบุญลงปูนี่ทางฝ่ายเข้าเขาจิตให้ยิ่งยามไปแล้วรับพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ คือได้พร้อมพ่จะไปเลยตอนแรกองค์ต้ององค์ทั้งองค์ที่องค์ก็แล้วแต่ส่วนการจัดไปร่วมตั้งเป็นคณะหรือว่าจัดไปเป็นแถวภาคเป็นคณะเป็นข้างห น, ะ น, นึ่เจ้าเนี่ยนี้นค่ัคอยพิจารณาต่อไปอีกพ้อจะพิจารณาแล้วผู้บาอาจารย์มรณาภาคไปเนี่ย เป็นมรณะภาพไปเลยว่าเป็นสอนธรรมะาเข้ายางไงเลยเด้อสอนเป็นช่างชุดท่ายแหละสอนให้ผู้จักว่าตายเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้แหละมาสอนเข้าให้ผู้จักว่าตายเล็ก น, น้อยตายแบบโบเห็นโบตู้นั่นแม่ตู้นี่ตายแบบโบชุบสเสื้เนื้อบาห น, นี้เอาหลวงปูนี่แหละมรณะภาพหเห็นตายหเห็นหนี่ละ ในเข้าแตเมนแนในเข้ายึกแนว่าโห้กูหลักกูใหญป่ป น, นันภาวนาป น, นันทำ功德 ม, มาป น, นันบวชแล้วป น, น, น, วนันข้อมตายเมื่อไงยังนํามไปคุบเอาอยู่นาะในคืดไวายังสีในเด้ออันเข้บาบัไดบวชเข้าอยู่ซือเนี่ยโมเมนมันสิมากอยูอ่บ่โมเมนมันมาไกลแล้วบอ่ไวายังสีในคืดแน อันคืดเนี่มันมีทั้งออกคือด อ, อกพระพุทธเจ้าบอกไปโยมบอกว่าให้ภาวนามีทา้งเดีย ว, วยเนี่นี่ยสิสู่พุ่มตายเลยมี่ไม่ทังเดียวภาวนาทางอื่นสู่อะไรหรอกเขาตายกันมาหลายแลย้วเขาไปย่ำอยู่ไปสู่ยุโรงพยาบาลกรเพาะแห้งตายสูไ่ไรบาลมีวิธีสู่นั่นนี่วิธีเดียววิธีของพระพุทธเจ้าภาวนา พ่วนาวหรอพ่อย่างรมาเฮียนเป็นยาคู่มาเฮียนน้ำวัดล้วกอะไอเป็นว่าให้กำหนดจิตเถรักสายจิตรักษาใจไว้อย่าปล่อยให้มันหนีมันเก็บมันกลัวกับยูน้นมีเนื้อตรงกันมีอย่างเงี้ยยางทรงผมนั่งธรรมะคืบอกฮาดเซตใจอยู่กองให้มันนิ่มมันมีให้มันสงบน่นแหละให้มันหอมมันเย็นได้ไปหอดวางนึงใจหอมเย็นมันจะเป็นหมองเพิงเพมันเป็นที่เพิง มันพ่อเจ็บสนได้สำนึงใจห่อนใจห่อนโอ้ยคึบยานร้ายแหละกำหนดไก่โล่งบังมันหมมันเย็นหมนเท้าเน้บัดปูนบัดเดีบัดเท้าสูดูดูเขาเห็นว่าโอ้ควมำตายมันกะมากธรรมดามันนี่ตัวมันบ่มาเจอหากูดรอกูอื่นมันก็มากอยู่โอ้ยมันเป็นธรรมดาบ่เป็นพิเศษหรเว้ยกูไปทุกการับเขานนเท้าหัวท่ามันเป็ไหมเดี๋ด้ ก็มัน่อันี้ตั้งใจเพชรใส่ใแข็งแข็งหวันใส่ใสงบ ส, ง บ, สงบแข็งแข็งเห็น่อ๋อมึงออกไปซะตายซะตายซะบางทีเด้เพชรเห็นมันได้เด้อเฮชรใส่เพชรมันอันนี้เขาบอกตั้งคือดอกแต่ ว, ว่าบรเทศเพชรเพชรมันนี่แหละการใสเพชร่แข็งแข็งไ้นนได้อยล่านี้มันจะใหญ่ได้หรอล่าอ่อดบ้างไปแล้วห้วยมันบ่มีแต่กูอกเลยรู้อื่นก็นมี่กันตายซะ มึงทำาหนาทีดีไปสั่มนมึงทำาหนาทีโอ้มึงขำาหนาทีสุดสองนะเนอะไปสั่นอาดีแล้วท้าหนาทีมึงโตไปเรื่อไสั่นเท่าไหร่อยกลับขึ้นมาเอามึงสีตายก็ตายกร่างกายเนี่ยกันแม่นบสเคอนี่แต่เคื่อรุ่นอยู่ไหมเอาไปซะเคือนี่ละก็กันนั่นและากานเทาเตรียมใจไวด้ดีๆแล้วมันมันพอสูบอยู่เนียมันสูบว่ไร้ับพอสูอยู่ไม่ดีชุดสูมันว่าด้รใช่ว่ากำปั้นกระดักดังมันหลเครื่องเน่ยเนอะ เอ้คิดยี่สหละถ้าสั้นเราข้อมตายไม่เรางอหลองค้องโอ้ยโอ้ยยอมแล้วยอมแล้ ว, ย อ, ลวอยู่นั่นว่าใดประโยชน์เนี้ยอันพวกซุ่มสู้ว่เป็นนั่นเขาหาวิธีสู้วิธีอื่นนึงบฆษณาแก่ค้นได้เห็นบอกมาเผาเ ม, ม่นเข้าน ห, หลายแล้วมเผาดูแล้วบอสู้ได้แล้ให้สู้แบบนี้แหละลงปูเขา้าข่าแค่ตัให้เขาวาน้าเอาใจสู้ มันมันเอากำปั้นสูอเอาแข้งเอาขาสูเตมันตอกตักหัวมันมันม่เนื้อสั่นเลยกำหนดใจเลยดีดีมันมาอยู่ใสตายเลยมันมาสืดืนเอาใจห้อนั่งมันจับมันโยนออกไปมึงปปมไปอยู่พ้ามึงเลยทีตายซะกูคงเขาทราบเหตุเหตมันไหนเนี่ยคลุกใจดีๆอันนี้แหละแม่ภาวนา มอตายมุมี้ดอกน่ะพนน่ะมันไปรีดยุใสแล้วจะเกิดมาเสตอได้ต้องตายเท่านั้นอย่าสิทธิคือคิดโอ๊ยมีแต่กูแท้ตายมีแต่กูแท้ป่วยมันบอแบนดอกผู้อื่นกับมีผูอสันแห้งหลายอยู่โรงพยายบาลอยจนลุกตายกับมีเข้ากติตายผู้อื่นมันตายเมื่อไรละไรนะนะมอต้องประหยัดอกกำหนดใจดีดีดูได้ฮะ